การกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์1ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย1การฟังพระสัตรธรรม1การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า1ทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากพระพุทธภาษิต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 การฟังทำเนี่ยก็คือเป็นการทำความดีละฟังสิ่งที่ดีๆการละความชั่วเนี่ยก็ดีขั้นต้นการทำความดีก็ดีขึ้นอีกขั้นนึงขั้นสูงสุดก็คือดีในขั้นที่สาการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสอันนี้เป็นหลักทมคำสอนในทางพุทธศาสนาเราโชคดีละเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นเรื่องการมีสติ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 ถ้ากินยังมีสติเนี่ยก็จะรู้รสชาติของอาหารอร่อยลึกซึ้งแล้วก็ไม่ติดนะสติจะช่วยการกลางวันในติดไม่ได้แม้แต่รสชาติของอาหารมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยึดติดไม่หลงมัวเมาในการกินกินเพื่อให้อิ่มกินยังมีสติเนี่ยกินเพื่อให้อิ่มไม่ได้กินเพื่อ อ, อร่อยกินเพื่อให้อิ่มแต่มันก็มีความอร่อยอยู่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ผลสุดท้ายก็คือความอิ่ม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 พูดคุยเตือน จ, จิตสกิดใจให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้นำไปพิจารณา